วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มใสในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการสร้างกำลังของใจให้มีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง เกิขึ้นมาในใจทรมาเนี่ยในวันนี้มีหัวข้อว่าทุกย่อมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีความทุกข์อยู่ถึงแม้จะเกิดดีขนาดไหนก็ตามจะร่ำรวยขนาดไหนก็ตามจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตาม จะมีสิ่งอํานวยความสุขให้กับตนมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงความทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ของเหล่านี้มันเป็นของที่มากับการเกิดถ้าไม่อยากจะทุกข์ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นการที่จะไม่มาเกิดได้ก็ต้องทำลายเหตุที่พาให้มาเกิดกันนั่นเองเหตุที่พาให้มาเกิดนี้ในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าด้ทรงตัดสัตย จะไม่มีใครในโลกนี้สามารถรู้ได้เลยว่า mm hmm. เหตุดันใดพาให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเรื่อยย่างไม่มีวันสิ้นสุด mm hmm. แต่พอหลังจากที่มีพระเจ้า mm hmm. พระพุทธเจ้ามาตัดสรุปเหตุว่าเหตุที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายมาเกิดแกเจ็บตายกันอยู่เรื่อย นั่นก็คือตัณหาความอยากสามประการด้วยกันคือหนึ่งกามตัณหาความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะสองภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นเกิดแล้วก็อยากจะอยู่ไปนานๆอยากอยากมีชีวิตอยู่ไปเรื่อยเรืเรียกว่าภาวะตัณหาสามวิภาวะตัณหา เมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่อยากจะให้ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายเรียกว่าวิภาวัฏฐันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากทั้งสามนี้นหะเป็นตัวที่พาให้สารโลกมาเวียนว่ายตายเกิดในพพน้อยพบใหญ่กันอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาทุกข์กับการเกิดทุกข์คั้งไป ทุกครั้งที่ได้ร่างกายก็จะต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองอันนี้คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุู้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุู้เนี่จะไม่มีใครรู้สาเหตุที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายมาเกิดกันในในโลกของมนุษย์นี้ ก็จะกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้วิธีอยากทำอย่างไรให้การเกิดแก่เจ็บตายนี้มันหมดไปแต่หลังจากที่พุทเจ้าได้ทรงตัดสรุปเหตุแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งค้นพบผลสงค้นสงคนพบเหตุที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วย mm. ตอนต้นค้นพบเหตุ ของการเรียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายว่ามาจากตัณหาทั้งสามกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหลังจากนั้นก็ทองค้อนพบว่าถ้าอยากจะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องหยุดเหตุคือกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้ได้และสิ่งที่จะทำให้ภาวะตัณหากามตัณหาวิภาวะตัณหาหมดไปได้ ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เองหรือศีลสมาธิปัญญาก็ได้ทางนี้ทางเดียวกันทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญานี้เป็นวิธีการของผู้ที่ต้องการที่จะหยุดความอยากต่างๆหยุดการเวียนว่ายตายเกิด สำหรับนักบวชก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือสำหรับคารวะผู้ครองเรือนก็ใช้ทานศีลภาวนาเป็นเครื่องมือทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญาต่างกันตรงไหนก็ต่างกันตรงที่มีทานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งข้อสำหรับผู้คลองเรือนส่วนศีลก็เหมือนกันแล้วก็สมาธิก กับปัญญาก็คือการภาวนาเนีเ่การภาวนาก็มีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสามถะภาวนาคือทำใจให้สงบก็คือทำใจให้เข้าสู่สมาธินั่นเองสมถะภาวนาก็เท่ากับสมาธิวิปัสสนาภาวนาคือการทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้ก็คือปัญญาปัญญาก็คือการวิเคราะห์สภาวะธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้าอยากถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปยึดไปติดไปครอบครองว่าให้เป็นของของเราได้ นี่คือทางของวิธีการของการหยุดความอยากต่างๆถ้าเป็นนักบวชก็ไม่ต้องทำทานเพราะเหตุใดเพราะนักบวชนี้ทำทานหมดแล้วก่อนจะมาบวชนี่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ต้องสละไปให้หมดเพราะว่าข้าวของเงินทองไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่จะเอามาใช้ดับความทุกข์ได้ นอกจากไม่เป็นเครื่องมือแล้วกับกลายเป็นข้าศึกศัตรตูต่อการปฏิบัติต่อการกําจัดความอยากต่างๆด้วยเพราะถ้ามีเงินอยู่ใกล้ตัวแล้วความอยากมันเกิดขึ้นมาง่ายอยากจะซื้อนั่นซื้อนี่อยากจะไปดูนั่นดูนี่ฟังนู้นฟังนี่ก็เกิดขึ้นมาได้ง่ายสําหรับทั้งบวชนี้ตัดเนื่องการนะดับความทุกข์ ด้วยการใช้เงินมาดับคือเพราะว่าการใช้เงินมาดับความทุกข์นั้นมันดับไม่ได้มันดับแบบดับแบบหลอกๆดับเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เช่นถ้าเรามีความทุกข์ใจเพราะอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆมันเหงามันเศร้าเราก็อยากจะออกไปข้างนอก ไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรกันไปชอปปิง้งไปซื้อข้าวซื้อของถ้าเรามีเงินเราก็จะใช้เงินนี้เป็นวิธีแก้วความเศร้าความเบื่ออนายที่ต้องอยู่ในบ้านเฉยๆไม่มีอะไรจะทำพอเราได้ออกไปเที่ยวได้ใช้เงินซื้อข้าวซื้อของจับจ่ายอะไรต่างๆก็เกิดความสุขเกิดความเพลิดเพลิ น, นขึ้นมาชั่วคราว แล้วหลังจากนั้นไม่นานเราก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านอยู่ได้ไม่กี่ครั้งไม่กี่วันก็เกิดความเศร้าเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาอีก mm hmm. มันไม่ได้เป็นวิธีแก้อย่างถาวรเป็นแก่วิธีแบบชั่วคราว mm hmm. ทุกคนก่อนที่จะไปบวชก็ใช้เงินทองนี้เป็นวิธีแก้ความทุกข์ใจกันแต่แก้แล้วยังไงก็แก้ไม่ได้แก้ไม่หมดแก้ได้เดี๋ยวเดียวแลวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ จนเห็นโทษของการใช้เงินว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีการแก้นอกจากไม่ใช่เป็นวิธีการแก้แล้วมันกลายเป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมากขึ้นด้วยเพราะเมื่อติดการใช้เงินใช้ทองเวลาไม่มีเงินทองใช้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกนั้นวิธีการใช้เงินทองเพื่อดับความทุกข์ของใจนี้ไม่สามารถดับมันได้พอไปบวน พระพุทธเจ้าก็บวชก่อนพระเจ้าก็เห็นว่าการมีเงินมีทองนี้เอาไปดับความทุกข์ไม่ได้ต้องไปใช้การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาของนักบวชคอนที่ไปบวชจึงสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดไม่มีเอาเอาอะไรติดตัวไปนอกจากอัฐ บ, บริขารเท่านั้นคือของจำเป็นที่จะต้องใช้สลหรับนักบวชคือบาตรอกีวร ไปมีดโกนที่โกนผมแล้วก็เข็มก็ได้ที่กรองน้ำแล้วก็ประคดเอวเข็มขัดรัดเอวอที่เป็นสมบัติของนักบวชมีเท่านี้ก็พออย่างอื่นใช้ใช้ดับความทุกข์ไม่ได้มีเงินล้อยล้านพันล้านก็ใช้ดับความทุกข์ไม่ได้ถ้ามาบวชแล้วมีเงินติดตัวมาเดี๋ยวก็มาติดกับการใช้เงินมาดับความทุกข์อีก อยู่วัดแล้วเบื่อก็เอาเอาเงินไปจ่ายค่ารถค่าลาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปอ้างว่าไปทำภารกิจของสงฆ์บาง อ, อะไรก็ว่าไปแต่ความจริงก็เป็นภารกิจของกิเลสตัณหานี่แหละตัณหาความอยากอยากเสพ ด, ดูเสพกินลถโฟดสะพ้ากันอยู่ในวัดแล้วมันไม่ได้เสพก็ต้องหาเหตุไปกินที่บนไปทำภารกิจภารกิจของสงฆ์ออกไปแล้วก็ จะชื่นเบิกบานอยู่ชั่วคราวเพราะกลับมาวัดก็เศร้าซร้อยไว้เหงาเหมือนเดิมอย่างที่โบราณเขาพูดว่าเวลาไปเหมือนหาเวลาไปเหมือนไก่บินเวลากลับนี่เหมือนหากินพอกลับเข้าว่านี่ขอพับเศ้าดัางนั้นพระพุเจ้าจึงห้ามไม่ให้พระสงฆ์องเจ้ามีเงินทองกันยกเว้นว่าถ้ามีความจําเป็น ต้องใช้เงินในกรณีพิเศษเช่นป่วยเจ็บใข้ได้ป่วยหรือขาดแคลนอะไรในปัจจัยสี่ก็ให้ฝากให้ให้เอาเงินที่ญาติโยมมาให้นี่ฝากไว้กับคนที่ไว้ใจได้ไม่ให้เก็บไว้เองไม่ให้ครอบครองไว้อยู่กับที่กุฏิไม่ให้เก็บไว้ในยามไม่ให้ไปซื้อของเองให้ฝากไว้กับคนที่เชื่อใจได้แล้วเวลาขาดแคลนอะไรต้องการยา หรือบางวันบินธบาตอาหารไม่มีไม่ได้ไม่มีอาหารจากบินธบาติก็บอกให้ลูกศิษย์คนนี้เขาช่วยจัดการหาอาหารมาให้หรือถ้าขาดอยู่ขาดยาก็ให้เขาช่วยจัดยามาให้อะไรเป็นต้นหรือว่าถ้าจาเป็นต้องเดินทางต้องจ่ายค่ารถค่าลาก็าให้มีลูกศิษย์เป็นคนไปคอยจ่ายให้คือไม่ให้ครอบครองเงินเป็นของของตน พราะถ้าอยู่ใกล้มือแล้วเดี๋ยวกิเลการหาความอยากมันจะเอาไปใช้หมด เ, ออเด๋ยวมันก็อ้างว่าไปนูน่นไปนี่ไปดูนั่นฟังนี่ไปซื้อของต่างๆมามาเสกกันดัอองนั้นถ้าจะมาเป็นนักบวชก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําทานก็คือทําให้หมดเลยคือสละสมบัติข้าวของเงินทองให้หมดก่อนที่จะมาบวชทําทานครั้งสุดท้ายก่อนที่จะบวช มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ยกให้คนอื่นไปถ้ามีภรรยามีลูกก็ยกให้ภรรยาไปถ้าไม่มีมีพ่อมีแม่ก็ยกให้พ่อแม่ไปหรือถ้าไม่มีใครก็ให้ชาวบงชาวบ้านหรือให้กับองค์กรการกุศลต่างๆไปก็ได้อย่างมีเรื่องของลูกศิษย์ของหลวงปู่ม่านองค์หนึ่งท่านชื่อพระอาจารย์พรหมตอนที่ท่านเป็นคารวะท่านมีภรรยา แต่ไม่มีลูกเป็นชาวนาชาวชาวนาที่มีฐานะมีบ้านมีไร่นามีวัวมีควายเยอะแล้วท่านก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านไปวัดทุกทุกวันพระไปปฏิบัติธรรมกันจนถึงเกิดศรัทธาที่อยากจะออกบวชเพื่อไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นก่อนที่ท่านจะบวชท่านก็ประกาศบอกกับชาวบ้านว่า ท่านมีสมบัติข้าวของเงินทองนี้ที่ท่านมีอยู่นี้ท่านจะแจกให้ใครที่ต้องการใครขาดอะไรไม่มีอะไรก็มาขอได้ใครไม่มีวัวมีควายก็มาขอไปใครไม่มีบ้านก็ขอบ้านใครไม่มีที่ทำนาทำกินก็ยกให้หมดส่วนตัวท่านกับภรรยาก็ไปบวชกันแยกกันไปอยู่ตัวท่านก็ไปบวชแล้วก็ไปติดตามศึกษากับหลวงปู่มั่น จนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาท่านได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยด้วยการไม่มีเงินมีทองมีเงินมีทองแล้วมันจะทำให้ติดไม่ได้ทำให้หุดเพราะมันจะติดกับการใช้เงินเพรติดกับการใช้เงินก็ต้องดิ้นรนหาเงินอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอ่นนี่คือ ศีลสมาธิปัญญาก็เป็นวิธีการปฏิบัติของนักบวชส่วนทานศีลภาวนาก็เป็นวิธีปฏิบัติของคารวะญาติโยมพวกครองเรือนคือพยายามเอาเงินที่เราเหลือกินเหลือใช้ที่เราจะาไปใช้กับตัณหาความอยากนี้ให้เราเอามาใช้กับการทำบุญแทนแล้วจะช่วยลดตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆได้ลดกามตัณหาได้ ทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินเพื่อไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมาเสรเพราะเราขาดมันไม่ได้เราหิวเราอยากเราก็เอาเงินนี้ไปทําบุญแทนเวลาที่เราได้ทําบุญเราก็จะได้รับความอิ่มความสุขจากการทําบุญทําให้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเสรรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ลดลงได้ทําให้สามารถกั้นมันได้หยุดมันได้ ทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินไปเที่ยวไปกินไปดไปดูไปฟังอะไรก็เอาไปทำบุญแทนทำบุญทำทานทำไปแล้วใจก็จะอิ่มใจก็จะสุ ข, ขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากความหิวความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆก็จะลดน้อยลงไปถึงแม้จะไม่หมดมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความลงคาญให้กับใจได้พอที่จะอยู่กับมันคุนสู้กับมันได้ การที่จะทำให้ตัญหาความอยากนี้มันหมดไปได้นี้ต้องใช้การปฏิบัติจิตภาวนาหรือหรือสมาธิและปัญญาด้วยการสนับสนุนของศีลศีลก็ต้องเพิ่มจากศีลห้าขึ้นไปเป็นศีลแปดสำหรับกราวาสผู้คลองเรือนผู้ที่เริ่มต้นการปฏิบัติใหม่ๆยังไม่เข้าถึงยังไม่มีกำลังมากก็ให้รักษาศีลห้าไปก่อน แล้วก็ทำบุญทำทานเป็นกิจวัตรประจาวันเช่นถ้ามีพระเดินผ่านบ้านทุกวันก็ใส่บาตรทุกวันไปเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลินรถนี้เอามาซื้อบุญดีกว่าซื้อความสุขจากการที่ได้ทำบุญบุญนี้จะทำให้ใจเราสุขเราอิ่มเราสบายเราจะไม่ค่อยหิวกับรูปเสียงกิ่นรถความสุขทางโลกกันทักเท่าไหร่ทํานี้ไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะมีกาลัง เบื้องต้นก็รักษาศีลห้าไไปก่อนรักษาศีลห้าทุกวันแล้วพอมาวันพระก็มาเริ่มถือศีลแปดกันตอนนี้ยังอยู่ในระดับทานศีลภาวนาอยู่นะทาทานทุกวันวันวันธรรมดาก็รักษาศีลห้าวันพระก็รักษาศีลแปดทำไปเรื่อยๆแล้วตอบแล้วก็บาเพ็ญภาวนาสมถะภาวนา ดยการฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปหนึ่งวันกัน1่นคืนในวันพระแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้รู้ว่าการเรียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วจะหยุดการเกิด ได้อย่างไรเพื่อที่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปก็ต้องหยุดตัณหาทั้งสามก<ม>็ปฏิบัติเนคข ม, มะหยุดความอยากด้วยการปฏิบัติเนคข ม, มะวันพระเราก็มาถือศีลแปดรับการเสพกามต่างศีลข้อสามที่เป็นการเมก็เปลี่ยนามาเป็นอบปรมมัจลิยากามเมก็คือกา ร, กา ร, รการไม่ประพฤติในกาม ก็เปลี่ยนเป็นการไม่มีการไม่ประพฤติเรื่องการเลยเป็นอะบรัรมมัจาริยาไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดจากการร่วมหลับนอนกันแล้วก็ไม่หาความสุขจากกินอาหารตามความอยากกินพออยู่ได้กินแค่ถึงเที่ยงวันก็พอกินละวันละมื้อสองมื้อก็เหลือกินแล้วกินเพื่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้ไม่ได้กินตามความอยากไม่ได้กินเพื่อเลี้ยงตันหาย ถ้าเลี้ยงตันหาก็เท่ากับเลี้ยงการก็มาเกิดให้มีการเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองเราไม่กินเพื่อให้กิไม่กินตามตันหาความอยากเรากินตามความต้องการของร่างกายซึ่งวันหนึ่งก็มือ้อหนึ่งสองมื้อก็พอเพียงก็ถือศีลข้อหไปไม่ต้องรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ข้อเจก็ยุติการหาความสุขจากการดูการฟังมหฬารศบันเทิงต่างๆ ไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงต่างๆแล้วก็ไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยการแต่งเสื้อผ้าอาภรเสื้อผ้าอาภร์ที่วิจิตพิสดารเสริ m สวยความงามด้วยน้ํามันน้ําหอมลายต่างๆเป็นต้นตัดไปอันนี้เป็นการเป็นการเสรกกรรมเรียกว่าเป็นการ ม, มาตัญหาเป็นต้นเหตุของการมาเกิด ถ้าไม่อยากจะเกิดต้องการหยุดการเกิดต้องหยุดการเสพกาม mm hmm. แล้วก็ไม่ให้นอนไม่ให้หันการหาความสุขจากการนุ่มจากการนอน mm hmm. การนอนมากๆก็ถือว่าเป็นการการเสพตันหาความอยากการมาตันหาเหมือนกัน mm hmm. เสพทางความสุขสบายทางร่างกายร mm hmm. ่างกายนี้ถ้าได้พักผ่อนตามตามความต้องการคืนละสีห้าชั่วโมงก็พอเพียง mm hmm. แต่ถ้านอนบนเตียงที่สบายฟูกหนาๆนะเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาสี่ห้าชั่วโมงตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะลุกใจก็ยังอยากจะเสดความสุขจากการได้นอนบนฟูกหนะนะาๆเาฉะนั้นวิธีแก้ก็คือต้องอย่าไปนอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆนะนอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งๆเอาฟูกออกไปนอนแบบบนพื้นแข็งๆหรือนอนกับพื้นดินพื้นพื้นบ้านเลยก็ได้ ปูผ้าปูเสือกันความเย็นแค่นี้ก็พอถ้านอนแบบนี้พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็ลุกขึ้นมาจะได้เอาเวลามาให้กับการหยุดความอยากด้วยการมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาต่อไปคือมาทำสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา การปฏิบัติของคารวะด้วยทานศีลภาวนานี้ก็ไม่ต่างจากพระที่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเองแต่ว่าพระท่านไม่มีเงินที่จะต้องมาทำบุญทำทานแล้วท่านทำไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่ท่านมาบวชเงินทองที่ท่านมีอยู่นี้ท่านทละไปหมดเพราะรู้ว่าเงินทองนี้ไม่สามารถเอามาหยุดความอยากต่างๆได้นอกจากไม่ได้หยุดความอยากแล้วกลับมาส่งเสริมให้เกิดความอยาก มีเพิ่มมากขึ้นไปซิเพราะถ้าเราทําตามความอยากความอยากที่มีอยู่นี่มันจะงอกงามจะใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะให้ความอยากมันหดหายไปหมดไปเราต้องฝืนความอยากตัดความอยากไม่ใช่ทําตามความอยากถ้าทําความทาตามความอยากแล้วมันจะเจริญติบโตมันจะทําให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นถ้าเรา อยากจะมาหยุดการเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่าเรารู้ว่าความทุกข์นี้มันเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องมาหยุดหยุดเหตุที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายด้วยการไปบวชกันเพราะถ้าเป็นคาลาวา่าเวลาจะปฏิบัติหยุดความอยากนี้มันยากมันมีเวลาน้อยและสิ่งวัดล้อมของคาลาว่านี้เป็นโลกของความอยากทั้งนั้น ทุกคนที่ที่เป็นขาาวร้านี้อยู่ด้วยความอยากทั้งนั้นอยากได้ลาบยศสารเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเช่นวันนี้ก็อยากจะเป็นอยากจะเป็นผู้แทนกันกานนี้ก็เป็นความอยากเหมือนกันอยากได้ยศผู้แทนก็คือเป็นยศนี่อยากได้ยศแต่ไม่รู้ว่าการได้เป็นผู้แทนนี้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยง เวลาอยากใจก็อยู่ไม่ไม่นิ่งละใจก็อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องนิ้นลนไปหาเสียงกันพ อ, อได้รับเข้าไปก็ดีใจเดี๋ยวเดียวถ้าไม่ได้รับก็เสียใจถ้าวันนี้เดี๋ยวผิดหวังไม่ได้รับก็เสียใจเข้าใจแล้วถ้าได้เป็นก็เป็นเดี๋ยวไม่นานก็ลุก็ก็ยุบสภาอีก็ต้องมาเลือกตั้งใหม่อีกมันก็ทุกข์ใหม่อีกรอบ แต่เขาไม่รู้กันว่ามันเป็นความทุกข์เพราะกิเลสมันจะมันจะให้มองแต่ความสุขโอ้ได้เป็นได้เป็นผู้แทนได้เป็นรัฐมนตรีแล้วมีเกียรติมีอํานาจมีทำอะไรต่างๆได้มีความสุขแต่ไม่มองถึงใจที่ต้องคุกังวลกับการที่มันจะดการจะสิ้นสุดของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดแล้วมันจะต้องดับไปไม่ช้าก็เร็วแล้วมันก็จะทำให้ติดเพราะ พอติดการเป็นผู้แทนติดการเป็นรัฐมนตรีมันก็อยากจะกลับมาเป็นอยู่เรื่อยมันก็จะทำให้กลับมาเกิดใหม่ตาอยากชาตินี้ไปกับก็จะกลับมาเกิดใหม่มาเป็นผู้แทนมาเป็นรัฐมนตรีใหม่นี่คือความไม่รู้ความไม่เข้าใจว่าการที่เรามาเกิดกันนี้เกิดจากตัรหาความอยากต่างๆนี่เราต้องหยุดความอยากต่างๆนี้ด้วยเครื่องมือที่พระเจ้าได้ส่งค้นทบ ถ้าเป็นคารวะก็ใช้กรรมทำทานรักษาศีลภาวนาไปอพอเราเวลาภาวนาเราก็มาหยุดการหาความอยากด้วยการนั่งสมาธิเวลาทรทำสมาธิพอจิตนิ่งสงบความอยากก็หายไปชั่วคราวพอความอยากหายไปใจก็เบาเย็นสุขสบายขึ้นมามถ้าเราทําบ่อยๆต่อไปแล้วเราก็จะสามารถหยุดมันได้นานหยุดมันได้ไดเรื่อยๆแต่ยังมันยังไม่ตาย ถ้าอยากจะให้มันตายต้องรอใช้ปัญญาอีกอีกขั้นหนึ่งเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วพอต่อความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าสิ่งที่อยากมันเป็นทุกข์นะที่อยากจะเป็นสอสมันเป็นทุกข์พออยากครับก็อยู่เฉยๆไม่ได้ใจต้องดิ้นนะแล้วก็ไปสมัครไปหาเสียงพอไม่ได้ก็เสียใจก็ทุกข์อีกถ้าได้ก็ทุกข์อีกพอได้มันก็ต้องกังวลว่าเมื่อไหร่มันจะหมดอีก เ๋ยวมันก็หมดมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ก็จะหยุดตั้หาความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี่แหละคือการหยุดการกลับมาเกิดต้องหยุดที่ตั้หาความอยากด้วยเครื่องมือก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาแล้วแต่สถานภาพถ้าเป็นคารวะญาติโยมก็ทานศีลภาวนา ภาวนาก็คือสมาธิและปัญญานี่ถ้าเป็นนักบวชก็ศีลสมาธิปัญญาเลยสมาธิปัญญาก็คือการภาวนานักบวชก็ทำแค่ศีลรักษาศีลกับภาวนาขารวาดญาติโยมก็ทำทานรักษาศีลภาวนานี่เป็นวิธีการหยุดความอยากต่างๆหยุดการกลับมาเกิดถ้าสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่วันหนึ่ง ในวันข้างหน้านี้วันใดวันหนึ่งในวันข้างหน้านี้ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เมื่อไม่มีความอยากของเหลืออยู่ในใจแล้วการเกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิด<ม>ก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละคือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ที่เกี่ยวกับความทุกข์ของพวกเรา พวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครที่จะมาพูดว่าไม่มีความทุกข์ได้ถ้าตราบใดยังมาเกิดอยู่ตามนั้นยังต้องเจอความทุกข์อยู่ยกเว้นถ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุธธทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะท่านมีสมาธิมีปัญญามีศีลไว้คอยหยุดความอยากที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจแต่ถ้ายังไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่มีทางศีลภาวนา ใจก็ยังจะต้องทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายอยู่เรื่อยๆและยังจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะหยุดพ้นหยุดหยุดความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมาปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี้นั่นเองการแำสดงธรรมสาหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็จะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก็ได้ลําดับต่อไปเราก็จะได้มาปฏิบัติธรรมกัน มาหยุดความอยากด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบเข้าสมาธิเวลาเราเข้าสมาธิเราก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวหยุดกามาตันหาหยุดภาวะตัณหาหยุดวิภาวะตัณหาได้ชั่วคราวทําบ่อยๆเราก็จะมีกำลังที่จะหยุดตัณหาได้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็จะสามารถเอาปัญญามาสอนใจให้หยุดความอยากได้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้น ได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียมันไปพอเสียไปก็ต้องร้องห่มร้องไห้สู้ไม่มีอะไรดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าอยู่คนเดียวได้ไม่มีความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันทําใจให้นิ่งให้สงบวิธีที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบนี้ต้องมีสติผูกใจไว้กับกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่ใช้กล่อมใจสติคือการระลึกรู้ เช่นเราต้องละ ล, อลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรหรือถ้าเราไม่ใช้การดูลมหายใจเข้าออกเราจะใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ได้ให้สติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจว่าอะไรจะเข้ามาในใจเราในขณะนั้นมีเสียงเข้ามาก็ไม่ต้องสนใจมีภาพปรากฏขึ้นก็ไม่ต้องสนใจมีความรู้สึก อะไรที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจให้สนใจอยู่กับกรรมฐานที่เราใช้ผูกใจไว้เท่านั้นเองให้มีสติอยู่กับการอยู่กับกรรมฐานถ้าอยู่กับนมไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนพอบางทีใจมันคิดมากใจ ย, ยังฟุ้งอยู่ไม่สามารถบังคับให้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธได้ก็ให้อยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ หรือถ้ายัางสวดมนต์ไม่ได้จะใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้การฟังธรรมก็จะช่วยกล่อมใจให้เบาให้สงบลงได้ในระดับหนึ่งพอที่เราจะได้มาดูลมหรือมาบริกรรมพุทธโธได้แต่เป้าหมายของการทำสมาธินี้ก็คือให้ใจนิ่งให้สงบไม่ให้รู้อะไรมีอะไรปรากฏให้รู้ก็ไม่ต้องไปสนใจเป้าหมายของการนั่งสมาธิคือเข้าสู่ความว่างเข้าสู่การไม่มีอะไรให้รับรู้มีแต่ความว่าง ถ้าใจเข้าถึงจุดนะั้นแล้วใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขอย่างยิ่งแล้วใจก็ไม่ต้องทําอะไรในขณะที่อยู่ในความว่างใจก็จะเสดความสุขนั้นไปเรื่อยๆจนกว่ากําลังของสติที่ส่งจิตเข้าไปสู่ในความว่างความสงบนั้นหมดกําลังก็จะถอนออกมาเองไม่ต้องไปบังคับให้ให้จิตถอนออกมาจากสมาธิเมื่อเข้าไปแล้วมันก็จะอยู่ของมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอิ่มตัว เมื่อมันหมดกำลังที่จะอยู่ในนั้นมันก็จะถอนออกมาเองนี่คือวิธีง่ายๆของการนั่งสมาธิเราไม่ได้นั่งเพื่อให้เห็นปัญญาไม่เห็นจิดดับหรือเห็นอะไรทั้งนั้นเราต้องการให้มันเข้าไปอยู่ในที่ว่างที่สงบที่นิ่งที่เย็นที่สบายที่จะทำให้ใจเรามีกำลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อไปเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันอีกประมาณสักยี่สิบ หนาทีเนะยีนาที27นาทีด้วยกันขอให้มีสติรู้อยู่เฉยๆรู้อยู่กับพุทโธรู้อยู่กับลมรู้อยู่กับการสวดมนต์ท่านี้ยัางอื่ไม่ต้องไปสนใจอะไรเข้ามาก็ปล่อยมันไปอย่าไปตามมันอยู่กับพุทโธไปก่อนกาะกับพุทโธไปหรือเกอะกับลมไปหรือเกาะกับการสวดมนต์ไปแล้วใจเราจะเบาจะเย็นจะสงบจะสบายตามลําดับต่อไป อตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วเป็นอย่างไรบ้างสงบไหมไม่สงบหรืออย่างไรถ้าสงบก็ให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วนํามาไปใช้ต่อไปได้ในครั้งต่อไปเวลานั่งก็จะสงบได้เหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งด้วยความอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ทําให้มันสงบ ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังไม่ค่อยมีก็ต้องพยายามฝึกสติบ่อยๆเราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเด่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มจเจริญสติได้เลยพุโทโธพุโทโธไปหรือผูกใจไว้กับร่างกายคอยเฝ้าร่างกายว่ากำลังทําอะไรคอยดูร่างกายไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นนั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นง่ายนานขึ้น และต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุราปารลิปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุ ป, ปก ป, กปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจะตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติยวิวัจจันโตสัพพโลควินาศตุมาเตภวะวันตรายุสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจจาวุธาปจายโน จตารโหธมาวทานติอายุวันสุขังอาลาช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามวันนี้ฝนตกเสียงดังหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้ยินหวังว่าคงพอจะได้ยิน ตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนที่จะไปที่นั่นช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะให้คำตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่คเพื่นพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ224ท่าน YouTube พระสุชาติ l ล v e 241 YouTube ดกรี34วิทยุออนไลน์8ค l u b h o u s ์2นาคุติ130รวมทั้งหมด639ท่านค่ะคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ขอเรียนถามเจ้าค่ะบนสวรรค์มีดินน้ำลมไฟมีพระอาทิตย์หมาหมค้ามันเป็นโลกของความฝันน่ยเวลาที่เราตายไปเราจะเข้าสู่โลกของความฝันมันก็เหมือนกับโลกของที่เราอยู่ในวันนี้นเราฝันว่าเห็นดวงอาทิตย์เห็นดวงจันทร์เห็นคนนั้นเห็นคนนี้ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปกินสิ่งนั้นไปดื่มสิ่งนีน้เหมือนกันเหมือนกับตอนที่เราเราไม่ได้ตาย สวรรค์จะมีแต่สถานที่ท่องเที่ยวมีแต่ความสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ถ้านรกก็เป็นสถานที่นี่มีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องความโอดอยากขาดแคลมีแต่เรื่องปัญสงครามมีแต่เรื่องอาชญากรรมอะไรต่างๆในคนนรกมันอย่างนั้นคําถามจากทาง facebook ค, ค่ะ การที่พ่อกับลูกไม่เข้าใจกันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันขอสอบถามว่าคนที่เป็นลูกต้องผิดเสมอใช่ไหมคะถึงแม้ลูกจะมีเหตุผลในสิ่งที่พูดและกระทําออกมาคะ่ะคือเป็นลูกก็ฟังอย่างเดียวมีหน้าที่ฟังพ่อจะพูดอะไรก็ปล่อยให้พ่อพูดไปคิดว่าพ่อเป็นพระสั่งสอนเราพระเทศให้เราฟังแล้วก็ฟังท่านไป ส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทําตามหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของเราเราไม่จําเป็นจะต้องเชื่อก็ได้ไม่ต้องทําก็ได้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาบอกมันไม่ถูกเราก็ไม่ต้องทาตามก็ได้อันนี้แต่เราไม่ควรที่จะเถียงหรือแสดงอาการไม่เคารพต่อพ่อต่อผู้ที่เป็นผู้มีพระคุณของเรามีหน้าที่นั่งฟังเราฟังไปแล้วส่วนเราจะไปทําหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของเรา ไ ม, มาา ไ, มไม่ต้องแสดงอาการไม่พอใจไม่ต้องแสดงอาการทะเลาะเบาบแวงกันอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราไม่ควรจะทำพ่อแม่ท่านรักเราห่วงเราแต่ความรู้ของท่านอาจจะน้อยกว่าเราท่านอาจจะสอนบอกเราในทางที่อาจจะไม่ถูกก็ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเรารู้ว่าไม่ถูกเราก็ไม่ต้องทำตามท่านเอง แต่เราไม่ต้องมาเถียงกันไม่ต้องมาบอกว่าพ่อผิดนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเอาแพ้ชนะกัน<ม>เราต้องให้ความเคารพ ก, กับผู้ที่มีพระคุณกับเราเสมอยังไม่มีเลย อ, อ, อามว่าไงไม่มีเหมือนกันเลยวันนี้มีคำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ขอม่ตาเทศอธิบายความหมายของคาว่าพุทธะที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับและเราเป็นปุถุชนและผู้ที่เป็นปุถุชนสามารถเข้าถึงความเป็นพุทธะได้ไหมครับได้ก็ปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนศิมสมาธิปัญญาพรือานศิมภาวนาก็จะนำเข้าสู่พุทธะสภาพของผู้รู้ได้ผู้รู้ของที่มีอยู่ในโลกทิพย์ ไม่ใช่ของที่อยู่ในโลกนี้ของอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องเป็นพุทธาก็รู้ได้แต่ของในโลกทิพย์เนี่ยใ น, นโลกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดนิพพานอะไรเหล่านี้ต้องอาศัยการเป็นผู้รู้ถึงจะรู้ถึงจะเห็นได้โดยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาไม่มีคำถามอะไรยังไม่มีคำถามใหม่ ถ้าไม่มีก็จ ะ, ะ, ะมาแล้วเลยยังค่ะยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะเดี๋ยนั่งรอสักพักหนึเงคือมีใครกำลังพิงคำถามอยู่ก็ได้คำถามจากทาง u ู u ูปค่ะอาจารย์สุชาติค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วเกิดปิติแต่พอมีลมหายใจออกปีติจะค่อยคลายทำอย่างไรให้คงอยู่ครับ เราไปบังคับอาการต่างๆไม่ได้เรามีหน้าที่ดูลมก็ดูไปเฉยๆแม้แต่ลมก็อย่าไปบังคับมันอย่าไปบังคับมันหายใจลึกๆเพื่อให้เกิดผลอย่างนั้นเกิดทนอย่างนี้มันเป็นไปมันไม่เป็นปมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติด้วยการรู้เฉยๆคําถามจากทางเ facebook ค่ะ ถ้าเราทําบุญใส่บาตรแล้วไม่ได้กดน้ําแล้วเจ้าคะคือการอุทิศบุญนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ําถ้าเราใส่บาตรเสร็จเราอยากจะอุทิศบุญก็เราเลือกภายในใจได้เลยว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่ลรางรับไปแล้วก็จะสําเร็จประโยชน์ไม่ต้องมีน้ําก็ได้คําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะแม่ชีขอกราบ แม่ชีขอน้อมกราบเรียนถามเจ้าค่าหากแม่ชีอยากขอโอกาสไปพักภาวนาอยู่ที่วัดพระอาจารย์ด้วยสักระยะจะได้ไหมเจ้าขามีแม่ชีไหมเจ้าขาคือต้องขออนุญาตทางเจ้าวาดก่อนหรือทางคณะกรรมการวัดเขาก่อนโดยปกติเขายาติอนุญาตให้ผู้มาอยู่ปฏิบัติธรรมได้ไม่เกินเจวันต่อหนึ่งครั้งเจวันกับเจคืนเพราะว่าที่มีที่จากัด ถ้าปล่อยให้อยู่กันนานๆก็จะไม่มีที่ให้พูดเขาอยู่กันก็เราจะต้องเวียนเวียนกันไปเวียนกันมาครั้งละไม่เกินเจ็ดคืนเจ็ดวันค ำ, คำถามจากทาง Facebook ค่ะจะไปปฏิบัติที่วัดยานแต่ก็กลัวจะทำไม่ได้กลัวผีกลัวไปหมดเลยเจ้าค่ะต้องทำใจอย่างไรดีคะก็ฝึกที่บ้านไปก่อน นั่งนั่งนั่งในที่มืดๆ ด, ดูปิดไฟแล้วก็นั่งสวดมนต์ไปเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปพอเราชินสนามแล้วต่อไปเราก็ไปอยู่ที่อื่นได้เหมือนกันคําถามจากทาง facebook ค่ะเหตุผลที่ไม่ให้พระสงฆ์เลือกตั้งเพราะอะไรเจ้าคะไม่ให้พระยุ่งเกี่ยวกับทางโลกไง พระนิสระทางโลกไปหมดแล้วสะราบยศสรรเสริญสูงไปทางโลกโลกจะเจริญจะเสื่อมจะดีจะชั่วก็เป็นเรื่องของโลกไปพระนี้มุ่งไปทางธรรมมุ่งไปสู่พระนิพพานมุ่งไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องของของทางโลกแต่อย่างใดคําถามจากทาง facebook ค, ค่ะคําถามจากน้องที่ถามเรื่องคุณพ่อนะคะกลับสอบถามอีกข้อค่ะ การที่เราคิดฟุ้งถึงคนอื่นอาจจะคิดสงสัยแต่เราไม่ได้พูดออกมาให้คนอื่นได้ยินถือว่าเป็นบาปไหมคะถ้าเป็นความคิดที่ไม่ดีเราก็เรียกว่าอากุศลยังไม่เป็นบาปเพราะยังไม่เกิดการกระทำทางวาจาหรือทางกายแต่ก็สร้างความไม่สบายใจให้กับผู้คิดได้ดังนอย่าไปคิดเรื่องที่เป็นอกุศลคิดแต่เรื่องที่เป็นกุศลดีกว่าใจจะได้สบายใจจะได้มีความสุข คำถามจากทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าการปฏิบัติของเราก้าวหน้าผมรู้สึกว่าการทำสมาธิของผมมันยังคงมีความคิดฟุ้งอยู่บ่อยๆขอความเมตตาหลวงพ่อด้วยครับก็ท่านนั่งแล้วมันมีความสงบก็แสดงว่ามีความก้าวหน้าถ้านนั่งแล้วยังฟุ้งอยู่ยังไม่สงบก็ยังไม่ก้าวหน้า คำถามจากทาง facebook ค่ะการกําหนดพุดโทโธทั้งวันให้เป็นธรรมชาติหรือการกําหนดลมหายใจให้เป็นธรรมชาติกําหนดธรรมชาติให้ถูกต้องได้อย่างไรดีครับรู้เฉยๆไงอย่าไปบังคับลมถ้าพุโทโธก็ต้องท่องพุโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆคําถามจากทาง y ยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะสามารถลดความอิจฉาคนอื่นได้อย่างไรบ้างคะลดอะไร สามารถลดความอิจฉาคนอื่นได้อย่างไรบ้างคะก็บองว่าเราทุกคนมีบุญบา ร, รมีมาไม่เท่ากันแต่ละคนในอดีตเคยสร้างบุญสร้างบา ร, รมีสร้างบาปกรรมมาไม่เท่ากันพอชาตินี้มารับผลมันก็เลยผลไม่เท่ากันบางคนก็ได้รางวัลที่หนึ่งได้เหรียญทองบางคนก็ได้เหรียญทองแดงบางคนก็ไม่ได้เหรียญเลยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของวิบากของพวกเราทุกคนดังั้นจะไม่อิจฉาก็ไม่ได้ปเปลี่ยนแปลงอะไร ถ้าอยากจะให้ดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาเราก็ต้องสร้างบา ร, รมีขึ้นมาใหม่ให้มากกว่าเขาให้ได้คําถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติคะ่ะ <c oughs> กรรมที่ตามมาในปัจจุบนันเช่นเช่นเป็นสิ่งที่ทํามาในอดีตใช่หรือเปล่าคะกรรมที่ตามมาในปัจจุบนันเช่นเป็นสิ่งที่ทํามาในอดีตใช่หรือเปล่าครับ ก็สิ่งที่เราเคยทำมามันก็จะติดเป็นนิสัยมาเป็นชอบกินทุเรียนชานี้มาเกิดมันก็จะกินอยากจะกินทุเรียนไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ชอบเข้าวัดมันก็จะไม่เข้าวัดไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของนิสัยที่เราปลูกฝังมาแต่ละภพแต่ละชาติการกระทําของเรานี่มันจะเป็นการปลูกฝังนิสัยทําอะไรครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะทำครั้งที่สองได้ ข้ทงที่สองก็จะมีข้างที่สามตามไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะติดเป็นนิสยัยเป็นสันดานไปทั้งทางดีและทางไม่ดีการปลูกนิสัยที่ดีเราก็เรียกว่าบุญปลูกบุญบรารมีการปลูกนิสัยไม่ดีแล้วก็การปลูกบาปกรรมผลมันต่างกันถ้ามีนิสัยดีก็มีแต่ความสุขความเจริญตามมาถ้ามีนิสัยไม่ดีมันก็จะมีแต่ความทุกข์ความเสียหายหตามมา พระเจ้าจึงสอนให้พวกเรามันมันปลูกฝังนิสัยที่ดีทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆแล้วก็ละนิสัยที่ไม่ดีละการกระทําบาปต่างๆแล้วต่อไปเราก็จะมีแต่นินสัยที่ดีมีแต่บุญที่จะส่งเสริมให้เราได้ไปสู่ความสุขความจเจริญตามลําดับต่อไปคําถามจากทาง facebook ค่ะระหว่างนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจและกําหนดแสงจุ ด, จด เขียวๆแดงๆที่ตาได้ไหมครับผมหรือไม่ต้องโฟกัสแถวดวงตาเพราะตารับแสงได้ตลอดเวลาไม่ต้องเหรให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวดีกว่าคําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะสติสมาธิภาวนาต่างกันอย่างไรคะสติเป็นเหตุที่ทําให้จิตสงบเป็นสมาธิขึ้นมาภาวนาก็คือการทําสติสมาธินี่เรียกว่าภาวนา หมดแล้วใช่ไหมยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะพาเนาเอาแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้กินฟ้าอากาศไม่ค่อยเอือ้อก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน